บนพื้นตรงหน้าเขาสมเสร็จรุ่นหนุ่มตัวหนึ่งนอนตายสนิทอยู่ที่นั่นเลือดจากบาดแผลที่สมองยังคงไหลลินออกมาเป็นสายเราจะใช้สมเสร็จตัวนี้เป็นเหยื่อล่อความสนใจของไอ้เคพวกนั้นครับผ่าท้องออกอพยนทิ้งไว้ให้มันกะให้ห่างจากที่เราจะข้ามพอได้กลิ่นคาวเลือดพวกมันจะแห่ไปที่ซากสมเสร็จนี่หมดเราจะถือโอกาสตอนนั้นข้ามลาห้วยถึงแม้จะมีไอ้ที่เหลืออยู่บ้างตรงเข้ามาหมายจะเล่นงานเรา ก็คงส่วนน้อยพอจะยิงทันจอมพรานบอกเชิดถาชาัยยานและดารินมองตากันเองแล้วเปลี่ยนไปจ้องที่แง่สายเป็นตาเดียวด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกระหว่างบุคคลทั้งสองคนหนึ่งอดีตนายร้อยตำรวจเอกตะเวนชายแดนผู้อยู่ในฐานะพรานนำทางของคณะส่วนอีกคนหนึ่งอดีตร้อยโทกองทหารกระเรยงผู้อยู่ในฐานะคนรับใช้อาสาสมัคร แต่ไหนตรไรมาแล้วดูจะเป็นคู่ปรับที่ตามทันในเรื่องเหลี่ยมเชิงในเหลี่ยมคู่ชั้นเชิงของกันและกันอยู่ตลอดเวลาชันิดไม่มีใครด้อย ก, กว่าใครเลยเดี๋ยวนี้คณะนายจ้างทั้งสามคนตระหนักแน่ในความจริงข้อนี้แล้วเชิดาสกิดเตือนชายยันและน้องสาวไม่ให้เอ่ยทักสิ่งใดขึ้นเกี่ยวกับที่แงซ า, ายรู้ทันอ่านแผนของรพินถูกดังนั้น พานใหญ่จึงไม่มีโอกาสสงสัยอะไรในท่าทีของคณะนายจ้างของเขาหัวหน้าคณะเดินทางเข้ามาตบดายจอมพานความคิดของคุณวิเศษมากเรานึกกันไม่ถึงแต่ทำไมคุณถึงยิงได้สมเสร็จตัวนี้รวดเร็วทันการหรือเกินเห็นคว้าปืนเดินหายมาอึดใจเดียวเท่านั้นก่อนที่จะเดินลงเนินผมเห็นรอยของมันตัดหน้าไปก่อนแล้วครับเขาบอกตามจริง ซึ่งก็ตรงกันกันกบที่เงาทรายบอกไว้ให้ทราบก่อนแล้วก็เลยย้อนตามมาพบมันกำลังนอนเกลือกปักอยู่พอดีดาลินซ่อนยิ้มชายตาไปจับอยู่ที่เงาทรายโดยที่ระพินไม่รู้ความหมายคุณเก่งมากนะในพรานไม่มีพวกเราคนใดตามทันความคิดของคุณเลยสักคนคราวหลังจะทำอะไรแล้วก็กรุณาบอกกล่าวให้เรารู้ไว้ล่วงหน้าด้วยมีอย่างหรือเดินผ่ามาเฉยเฉยงั้นแหละ ลอยให้เรางงกันอยู่ได้เห็นรอยสมเสร็จตัดหน้าไปก็ไม่เห็นบอกพรานใหญ่ยักษ์ใ่แล้วบอกมาหน้าตาเฉยเชนที่ทคณะ น, า, นายจ้างทุกคน ง, งงงไปอีกครั้งว่าผมไม่ได้เห็นคนเดียวหลอกครับคนใช้ของคุณหญิงก็เห็นดูเหมือนจะเห็นก่อนผมเสียอีกกำลังตอนที่ผมถือปืนเดินออกมาหมอนั่นไม่ได้บอกคุณหญิงหลอกหรือว่าผมมาตามสมเสร็จตัวนี้ระหว่างที่เชิฐากับชายยันอึ่ง เพราะความอัศจรรย์ใจในข้อที่ว่าคู่นี้ช่างทันการเสียทุกฝีย่างก้าวดารินทำหน้าตาตื่นไก่ถามมาว่าเอ๊ะ e, ไม่เห็นแง่ท า, ายบอกอะไรเราสักนิดทำไมคุณรู้ได้ยังไงว่าแง่า ย, ายเห็นรอยสมเสร็จตัวนี้ก่อนคุณพรานใหญ่หัวเราะหึๆทำไมผมจะไม่รู้ผมสังเกตเห็นรอยสมเสร็จตัวนี้ก็เพราะแง่ทายนั่นเองหมอเดินรังท้ายก้มๆเงยๆสำรวจอะไรอยู่ ผมสงสัยก็เลยไถยลวกไปดูจึงพบรอยเข้าที่ไม่ได้บอกก็เพรเห็นว่ามันไม่สําคัญอะไรแค่สมเสร็จเดินตัดหน้าเราไปก่อนเท่านั้นและในตอนนั้นก็ยังไม่มีความคิดที่จะเอาตัวมันมาเป็นเหยือ่อรอไอ้เคตอนที่ผมบอกให้พวกคุณรอแล้วเดินตามสมเสร็จตัวนี้แง่ท า, ายก็น่าจะต้องรู้แล้วเฮอไม่เห็นแง่ท า, ายบอกอะไรนี่ดารินพูดหน้าตา รอบสกิดแง่ทรายไว้เชิดถากับชายยันอมยิม้มมอุดูพรานนําทางและคนใช้ชาวโดงอย่างพึงพอใจในไหวพลิบชั้นเชิงที่กินกันไม่ออกระพินไม่ได้สนใจอะไรอีกสั่งให้เกิดกับแง่ทรายตัดไม้มาหามสมเสร็จตัวนั้นแบกกลับไปยังชายฝั่งเลือกเอาชายภูมิตําแหน่งต้นน้ําตอนหนึ่งห่างจากบริเวณที่จะข้ามประมาณห้าหสิบเมตรแล้วช่วยกันแวะท้องสมเสร็จออกพอเรสร็จสาปพร้อมที่จะโยนสร้างลงไปเป็นเหยื่อร่ำไอ้เข้ ก็หันมาทางคณะนายจ้างอธิบายทราบว่าจะให้แงซายโยนซากลงไปตรงตำแหน่งนั้นพร้อมทั้งทําเสียงน้ําให้แตกโครมครามเพื่อเรียกฝูงจระเข้ส่วนใหญ่ให้ตรงเข้ามาตัวเขาเองจะข้ามฝฟากไปคนเดียวก่อนเพื่อไปคอยทําหน้าที่ยิงคุ้มกันให้อีกฟากหนึ่งเมื่อเขาไปถึงแล้วจึงให้คณะนายจ้างทั้งสามข้ามไปโดยมีเกิดยืนอยู่บนฝั่งด้านเดิมคอยคุ้มกันให้อีกแรงหนึ่ง รวมเป็นปืนคุ้มกันสองฝากพร้อมกันแล้วจากนั้นจึงให้เกิดและแง่ทา ย, ายข้ามตามมาเป็นพวกสุดท้ายโดยทุกคนที่ไปถึงก่อนแล้วช่วยยิงในกรณีจำเป็นนัดแนะกันเป็นที่เข้าใจเรียบร้อยและพินก็นำกลับมาอย่างริมชายฝั่งตรงบริเวณที่หมายตาไว้แต่แรกว่าจะใช้เป็นแนวข้ามคงทิ้งให้แง่า ย, ายคอยทาหน้าที่อ่อยเหยื่อเพียงคนเดียวโดยนัดให้คอยสังเกตสัญญาณจากเขาที่ว่า จะให้ทิ้งซาสมเสร็จลงไปเมื่อใดพรานใหญ่เตรียมตัวเสร็จก็หันไปทางแงซายขยับจะโบกมือเป็นสัญญาณให้ปล่อยเหยื่อแต่แล้วก็ชะงักเพราะเชฐาเหนียวแขนไว้ก่อนท้วงมาว่าเดี๋ยวก่อนระพินผมว่าพอให้แงซายโยนเหยื่อลงไปล่อแล้วพวกเราลุยข้ามทางไปพร้อมๆกันเสียเที่ยวเดียวเลยจะไม่ดีกว่าหรือฉันก็ว่าอย่างนั้นมาเรื่องอะไรที่คุณจะลงไปเสี่ยงคนเดียวก่อน อย่างน้อยที่สุดเราเดินรวมกลุ่มกันไปยังพอช่วยกันยิงปะทะไว้ได้ทันดารินสอดมาด้วยเร็ ว, รวตรงข้ามครับถ้าเราทั้งหมดเดินรวมกลุ่มกันข้ามการประทะกับมันจะอยู่ในฐานะาเสี่ยงที่สุดดีไม่ดีอาจยิงสกัดไม่ทันและพวกเราคนใดถูกมันกัดเข้าบ้างก็ได้เพราะขณะที่เราเดินลุยน้ำที่มีระดับสูงขนาดเอวหรืออกของเราสายตาที่เราจะมองเห็นมันซึ่งปรีเข้ามานั้นอยู่ในแนวจากัดมาก อันเนื่องมาจากระยะจากระดับน้ากับสายตาของเราใกล้กันนิดเดียวถ้ายตัวไหนไว่ายมาใต้ระดับน้ำเพียงนิดเดียวเราก็มองไม่เห็นตัวแล้วมันอาจจะเข้าถึงตัวเราได้ก่อนจะยิงทันแต่ถ้ามีคนคอยสังเกตอยู่บนฝั่งที่สูงและทำหน้าที่คุ้มกันช่วยอีกแรงหนึ่งเราจะปลอดภัยกว่ามากกว่าเพราะฉะนั้นให้ผมลวงหน้าไปคอยอยู่ก่อนดีกว่าครับเมื่อผมไปถึงเรียบร้อยแล้วพวกคุณชายสามคนจึงค่อยข้ามไป ซึ่งจะปลอดภัยยิ่งขึ้นเพราะฝั่งโน้นผมคอยคุมให้ส่วนฝั่งนี้เกิดก็จะคุมให้ผมต้องการให้คณะของคุณเสี่ยงน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกคนจำนวนต่อเหตุผลอันรอบครอบรัดกุ่มของเขาแต่ก็อดที่จะเป็นห่วงเสียไม่ได้หวังว่าขณะที่พวกเรายืนมองดูคุณเดินข้ามห้วยอยู่บนฝั่งนี่คงไม่เห็นได้เคม็ม้าบคุณหายไปต่อหน้าต่อตาเหมือนหมูป่าตัวนั้นนะ ดาดินพูดพร้อมกับหู้เรากกร่อยๆจอมพานยิ้มเห็นฟันทั้งสองแถวขาวาสว่างอยู่ในป่าคราวอันมืดคืมมันจะฆ่าผมไปไม่ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปืนสี่กระบอกบนฝั่งที่จะยิงคุ้มกันให้ครับกรุณาคุมสถานการณ์ให้ผมด้วยขณะที่เดินท่องไปสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่ารีบร้อนจนยิงถูกผมเข้าก็แล้วกันคนอื่นน่ะไม่ไกลหรอกสาคัญแต่น้อยคนเดียวเท่านั้น น้อยยิงปืนดีก็จริงแต่ไม่ค่อยจะระวังเลยแล้วก็ผีผามใจร้อนชายยันว่าดาดินถอนใจเบาๆบอกมาเรียบๆว่าถึงว่าสิยิ่งเดี๋ยวนี้มือมันสั่นๆอย่างไรพี่กรจิตใจก็ไม่ค่อยปกติถ้าพลาดพลั้งยังไงแล้วก็อโหสินะพรานใหญ่กระเดียกน้ำลายฟืดๆแล้วหันไปโบกมือให้สัญญาณแก่แง่าสายผู้รอคอยอยู่อึดใจนั่นเอง นักพเนจรชาวดงก็ทุ่มหินก้อนใหญ่หล่นตูมเสียงดังสนานลงไปในวังน้ำตอนหนึ่งท่ามกลางความเงียบสงัดของแผ่นน้ำนิ่งเช่นนี้ความสั่นสะเทือนของท้องน้ำกระจายไปทั่วไม่ทันจะขาดเสียงภาพที่เห็นก็คือฝูงจระเข้ที่นอนพึ่งแดดอยู่บนแก่งโขดหินรอบด้านไว้ตัวอย่างผุนพรันกระโจนลงน้ำกันจ้าระวันมุดน้ำแตกเป็นพรายฟอดมุ่งตรงไปยังตำแหน่งที่มาของเสียงในทันที บนพงรกลิมฝั่งก็มีเสียงวิ่งกันสวบจาปรั่นไปหมดแล้วโจรลงไปในน้ำดังอยู่โครมความอึงคนึงไปหมดตลอดทั้งท้องน้ำอันเคยนิ่งสนิทปั่นป่วนกระฉอบเป็นคลื่นราวกับเกิดกะลียุคแง่าสายแกล้งโยนหินตูมตามลงไปอีกหลายก้อนเป็นการยุ่ยให้พวกมันพากันแตกตื่นมุ่งตรงกันเข้ามาแล้วก็ถีบซ่าของสมเสจที่แหว่ท้องออกหล่นลงไปในวังน้าเบื้องร่างพอข่าวเลือด ร, รายไปกับน้า ตำแหน่งนั้นก็คลากรามไปด้วยฝูงชาลวันนับสิบที่เข้ามาถึงก่อนก็ตรงเข้าขย่ํากัดทึ้งอย่างหิวกระหายดุร้ายแย่งกันเป็นพาลวันที่อยู่ห่างออกไปก็พยายามฟัดฟาดหางว่ายรีแข่งกันเข้ามาอย่างรวดเร็วบริเวณนั้นทั้งหมดอรมาชุนมูลไปทั่วมันเป็นภาพที่น่าสะเพึงกลัวยิ่งเชษฐาดาลินชัยยานได้เกิดขึ้นไปอยู่บนฝั่งตลิ่งสูงถือปืนเตรียมพร้อม ในขณะที่พรานใหญ่ย่อนกายลงไปในน้ําอย่างเงียบกริบช่วยโอกาสขณะที่จร์เ้ส่วนใหญ่ของบริเวณรำครองตอนนั้นกำลังสนใจอยู่กับซาเหยื่อกที่แง่าโ ย, ยนลงไปรอ่อเดินลุยน้ําตัดออกไปอย่างรวดเร็วในมือกระชับไรเฟิลกวาดสายตาระวังไวไปรอบด้านยิ่งห่างออกไประดับน้ําก็ลึกลงทีละน้อยครั้งแรกก็แค่เอวและบัดนี้เมื่อเดินออกไประยะหนึ่งในสของความกว้างมันก็ต่ำด้วยขึ้นมาจนถึงระดับอ ก, อก จนต้องชูไรเฟิลไว้ด้านซ้ายของเขาน้ำแตกเป็นทางมาสองแนวเห็นสันจมูกโผล่อยู่ปริ่มๆพุ่งเข้ามาราวกับต่อพิโดทางด้านขวาก็แตกเป็นพรายรูปขนาดกระด้งใหญ่ๆและผินใจหายว่าโดยระดับน้ำที่ลึกเทียมอกขนาดนี้เขาสังเกตเห็นแต่ทิศทางมาของมันเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะมองเห็นเป้าหมายที่จะวางกระสุนได้เลยเพราะผิวน้ำบางอยู่คณะนายจ้างของเขาและเกิด ผู้ยืนอยู่บนฝั่งมองเห็นจ้ำลึทโยแห่งน้ำดำได้อย่างถนัดคั้นแล้วก่อนที่เราพิจะตัดสินใจอย่างไรถูกไรเฟิลทั้ง4ี่กระบอกก็ระเบิดขึ้นกึกก้องประสานกันสะเทือนไปทั้งลําคลองเสียงน้ําแตกกระจายคืนโครมใกล้เคียงตัวเขาห่างเพียงไม่กี่วาแล้วแผ่นท้องสีขาวก็แฉลบพลิกขึ้นมาให้เห็นพร้อมกับท่อนหางอันใหญ่โตเลือดแดงฉานละลายปนไปกับน้ําสีข้ามันดิ้นผงผางอยู่รอบตัวเขาอย่างชนิดบุดวิดจวนเจียน เดินไปเร็วไม่ต้องหยุดจะยิงให้เองเสียงเชษดถาตะโกนกล้องมาแล้วก็มีเสียงตูมกึกกล้องขึ้นจากชายยันอีกนัดหนึ่งตำแหน่งด้านหน้าเยื้องซ้ายไปออกไปทางห้าหกวาเจ้าตัวเขื่องเทียมเทียมเรือชราพลิกดิ้นราวกับพายุความแรงของน้ำที่เกิดขึ้นจากการฟาดหางของมันทำให้ระพินเซเกือบล้มน้ากระจายขึ้นมาเปียกเต็มตัวราวกับถูกสาดเขาเดินรุดหน้าต่อไปโดยเร็วชนิดแข่งกับเวลา ฝากชีวิตไว้ให้กับไรเฟิลบนฝั่งทั้ง4ี่กระบอกซึ่งแต่ละมือเหล่านั้นร่วนเชื่อถือไว้วางใจได้ทั้งสิน้นแต่การถูกสกัดกั้นด้วยลูกปืนสามารถจะหยุดพวกมันได้ก็เพียงการดับดิ้นไปของแต่ละตัวเท่านั้นไอตัวอื่นๆที่มองเห็นเหยื่อเดินด้ยน้ําอยู่จะหวาดหวั่นพรั่นพึงก็หาไม่คงพากันว่าดีด่าหน้าเข้ามาอย่างไม่ยอมเข้าใจอะไรทั้งสิน้นแต่มันก็ไม่หนาแน่นมากมายจนถึงกับคนบนฝั่งจะสกัดกั้นไวไม่ทัน เพราะส่วนมากของพวกมันมัวแต่ไปสนใจอยู่กับซากสมเสษของแงสายห่างออกไปเชษฐาดาบินชายยานได้เกิดช่วยกันยิงอย่างมีจังหวะและปราณีตโดยจะเลือกยิงเฉพาะตัวที่มันปรี่เข้าไปจนจะถึงตัวพรานใหญ่เท่านั้นและเป็นการยิงที่สัตว์สิทธิ์ยิงถ้าลั่นขึ้นนัดหนึ่งก็หมายถึงพลิกท้องไปหนึ่งตัวโดยไม่จะเป็นต้องซ้าเป้าหมายที่ยิงก็คือศีรษะหรือไม่ก็ก้านคอ เลือดแดงฉานอยู่เป็นหย่อมๆเรากับใครเอาสีมาเทไว้บางตัวกระโดงสันหางโผล่บางตัวก็จมน้ำหายไปเห็นท้องขาวร่างๆอยู่ใต้ผิวน้ำมืดประมาณเจ็ดปดตัวชุดแรกที่บ่ายหน้าเขาหาระพินถูกยิงม้วนไปหมดคงมีแต่อีกสี่ห้าตัวที่กวดตามมาในระยะห่างเชษฐาชัยยันได้เกิดใจเย็นพอที่จะรอคอยมันคืบใกล้เข้ามาในระยะอันตรายเพราะต้องการถนอมกระสุน กะระยะว่าระพินอาจข้ามไปถึงฝั่งตรงข้ามได้ทันแต่ดารินไม่ฟังเสียงหล่อนว่าจุด0ตามหมายไปยังตัวแรกที่ว่ายรี่นำหน้าโบกว่าทางไปมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับจมูกอันน่าเกลียดหน้ากลัวที่โผล่ปริมปริมน้ำขอยิงเป็นตัวอย่างฝากให้มันไปสั่งสอนให้เราคุมพีพวกมันไว้สักหน่อยเถิดว่าอย่าได้รีอ่านประสงค์ร้ายกับมนุษย์หญิงสาวคารามออกมาอย่างเครียดแค้น ขาดคำและก่อนที่ใครในคณะจะเข้าใจว่าหล่อนหมายถึงเช่นไรแฝด ร, รำกล้องขวาของหล่อนก็กำปนาตออกไปลูกปืนในการยิงครั้งนี้ของหล่อนแทนที่จะจับเข้ากลางศีรษะหรือการคอของเจ้าชารวันตัวนั้นกลับเปลี่ยนที่หมายไปตัดโคนหางอันใหญ่โตแข็งแรงที่กำลังโบกวาดน้ําอยู่ราวกับใบพัดเรือน้ํากระจายขึ้นไปบนอากาศเกือบจะถึงระดับยอดไม้ริมฝั่งโคลหางของมันหักสะบั้นในพริบตานั้นด้วยการเล็งอันแม่นยํา ภาพที่เห็นก็คือไอ้ยักษ์ใหญ่หางตกจมน้ำแข็งทื่อกระดิกไม่ได้คงมีแต่รําตัวเท่านั้นดิ้นวนหมุนคว้างอยู่กลางน้ำอ้าปากกว้างดิ้น่ายอยู่ไปมาเหมือนเรือปาสจากหางเสือจะจมก็จมไม่ลงจะว่ายไปข้างหน้าก็ว่ายไปไม่ได้ได้แต่รอยฟ้องตะกายพุ้ยน้ำหมุนเป็นกังหันตัวที่สองและที่สามลำดับต่อไปหล่อนแกล้งยิงทิ้งให้มันท ร, รมานอยู่ในลักษณะอาการเดียวกัน นั่นก็คือยิงตัดโคลหางอันเป็นแหล่งพลังที่สุดของเจ้าสั์ร้ายประเภทนี้เด็ด จ, จริงครับนายหญิงโอโ้โหเล่นยิงแบบนี้เลยหรือครับเกิดร้องลั่นออกมาอย่างประหลาดใจและคนชอบอกชอบใจเชษฐากับชายยันก็งงไปเหมือนกันในวิธียิงแบบพิสดารของหล่อนน้อยซ้ำมันให้ตายสิเถอะทรมานเปล่าๆชายยันร้องบอกมาแล้วประทับปืนขึ้นแต่ดาดินปัดปากกระ บ, บอกปืนของเขาขึ้นสูง ช่างปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละให้มันทรมานเสียเขตมันไม่มีปัญญาจะเคลื่อนไหวในน้ําได้อีกแล้วยิงตัวอื่นอย่าไปยิงไอ้ตัวที่หางหักแล้วให้เสียลูกปืนตัวสุดท้ายของชุดหลังเงียบกลิบเข้ามาทางด้านหลังเยื้องซ้ายของระพินผู้เดินรุดไปเบื้องหน้าโดยไม่หยุดยัง้งเชิฐาเพิ่งจะเรือไปเห็นเมื่อมันห่างจากจอมพรานใหญ่ประมาณสิบวาเพราะเมื่อระพินยิ่งห่างออกไปการเฝ้าสังเกตก็เริ่มจะไม่ถนัดขึ้น ยิ่งกว่านั้นคลื่นกระฉอดของน้ำอันเกิดจากการดิ้นรนของพวกมันที่ถูกยิงไปก่อนยังช่วยอำพรางไว้พอประทับ ป, ปืนขึ้นไอไวายร้ายเจ้ากรรมก็อยู่เป็นแนวระดับเส้นตรงอันเดียวกับแผ่นหลังของพลานใหญ่เสียด้วยและโดยมุมยิง45องศาเช่นนี้ไม่มีสิ่งใดมาประกันได้ว่ากระสุนจะเฉะแลบขึ้นหรือไม่ชา ย, ยานดาลินและเกิดก็มองเห็นในเวลาได้รีกันอย่างตกตะลึงขยับปืนขึ้นพร้อมกัน อย่ายิ่นเดี๋ยวถูกกระพินเชี่ยถาร้องห้ามเร็วปือแล้วป้องปากตะโกนออกไปสุดเสียงระวังข้างหลังเร็วอีกหลายคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่ด้วยช่วยตะโกนบอกเสียงหลงแทบจะไม่เป็นภาษาขณะนั้นพรานใหญ่ข้ามไปได้สามในสี่ของความกว้างแล้วและระดับน้ำเริ่มตื่นเพียงโคลนขาจากเสียงตะโกนเตือนเขาหันขวับมาโดยเร็ ว, รว<ๆ>ก็พบกับปากที่อ้ากว้างเต็มไปด้วยเขี้ยวยาวห่างตัวแค่วาเดียวเท่านั้น แล้วมันก็งับโผงลงพอดีกับปากกระบอกปืนที่ยันทะลวงเข้าไปถึงคอหอยเขาก็แทะเข้าไปสุดแรงเกิดแล้วก็ชากออกตวัดหัว ด, ด้วยผานท้ายตูมเข้าไปที่บริเวณศีรษะตรงระดับตาของมันพลางกระโดดถอยหนีไอชารวันคำรามลั่นสะบัดหัวผงะไปแล้วพุ่งปราดอ้าปากตรงเข้ามาอีกอย่างดุร้ายพรานใหญ่ใช้ปากกระบอกปืนอันเป็นเหล็กหนาะทั้งดุนกระทุ้งบริเวณจมูกอันเป็นจุดอ่อนของมันอีกครั้งอย่างจัง ใช้ความยาวของช่วงไรเฟิลยันไว้ไม่ให้มันบุกเข้าถึงตัวเสียงพรกพวกบนฝั่งตะโกนบอกมาอย่างอกสานขวัญแขวนให้เขายิงต่างอดพิศวงในความใจยเย็นของรัผินเสียไม่ได้เขาเล่นกับมันเหมือนเล่นกับจระเข้ยางหรือมิฉะนั้นก็สัตว์เลี้ยงเชื่องเชื่อแทนที่จะยิงให้มันคว่าไปในทันทีและเท่าแล้วเท่ารอดรผินก็ไม่ยอมยิงจระเข้ตัวนั้นให้เปลืองกระสุนใช้ปากกระบอกปืนกระทุ้งเข้าบริเวณจุดอ่อนในปากของมัน พางก็เดินถอยเข้าหาฝั่งซึ่งตื้นเข้าไปทุกขณะจนกระทั่งในที่สุดมันก็หมดปัญญาเบนหัวพระนี้ไปเองเพราะถูกเจ็บเข้าหลายครั้งพลานใหญ่ขึ้นฝั่งตรงข้ามได้โดยเรียบร้อยหันมาโบกมือให้กับคณะนายจ้างอีกฝั่งหนึ่งเออเนะ่ยเล่นกแก่แกสิอิตานี่ชา ย, ยันคลางอ้วกมาเพาื่อนเอาปากกระบอกปืนกระทุ่งเล่นสิงั้นแหละไอ้วายร้ายนั้นเปิดอ้าไปแล้วทําไมไม่ยิงมานในคว่มไปเสียแล้วรรอด ทั้งๆ ท, ที่มีปืนอยู่ในมือแท้ๆเขารู้สัญชาตญาณของมันดีกว่าเราอะไรที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องอันตรายน่ากลัวที่สุดเขาอาจเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดก็ได้คงรู้ว่ามันไม่มีทางจะทําอะไรเขาได้กำบังถึงได้ไม่ยิงให้เปลืองกระสุนแช่ฐาพูดเบาๆเขาเองก็อดที่จะประหลาดใจไม่ได้ที่เห็นรพินหลอกล่ อ, ก, อ ก, กับจัดเขยดุตัวนั้นเป็นว่าเล่นแล้วเอาตัวขึ้นฝั่งไปได้โดยไม่จําเป็นต้องสังหารมันด้วยลูกปืน ขณะนั้นแง่า ย, ายวิ่งย้อนกลับเข้ามาสมทบเป็นเวลาเดียวกับที่ระพินปีนขึ้นไปอยู่บนตลิ่งสูงของฝั่งโน้นส่งสัญญาณให้คณะนายจ้างข้ามฝากตามที่นัดแนะไว้แล้วเจ้านายข้ามเร็วเกิครับผ่านยายบอกมาแล้วผมกับแง่า ย, ายจะช่วยคุมให้เองเกิดเตือนมาโดยเร็วพร้อมกับบรรจุกระสุนเข้าซองปืนทั้ง3ากระโดดลงจากตลิงสูงโดยเร็ว เดินตัดลงชายตะลิ่งและแบกไรเฟิลพาดบ่าไว้ดึงปืนสั้นจากซองข้างเอวประจําตัวออกมาถือกระชับไว้ในมือขวาแล้วพากันเดินรวมกลุ่มลุยลงน้ําเดินตัดไปอย่างเร่งรีบเรียงกันเป็นหน้ากระดานดารินเดินอยู่ตรงกลาง ร, ระหว่างขนาบข้างของเพื่อนและพี่ชายชา ย, ยันระวังทางด้านซ้ายไว้ฉันจะเฝ้าทางด้านขวาเองส่วนน้อยคอยสังเกตดูด้านหลังไว้ด้วยเชษฐาออกคําสั่ง สายน้ำเย็นเฉียบจับด้วยเข้าไปถึงขั้วหัวใจพื้นเบื้องร่างบางแห่งเป็นทรายบางแห่งเป็นโขดหินที่ลื่นไปด้วยตะไคร่ดารินเสียหลักเซสถลัมจะล้มลงน้ำอยู่สองสาครั้งแต่ชายยานกับเชษฐาช่วยกันฮิ้วแขนไว้ได้ทุกคนหายใจไม่ทั่วท้องพยายามจะเคลื่อนไปหน้าอย่างเร่งรีบที่สุดแต่ละก้าที่รุยไปในกระแสน้ำสีคร้ำอันเย็นประหลาดรู้สึกว่ามันช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าหรือประมาณ พอผ่านมาถึงใจกลางคลองทั้งสามก็ตกอยู่ในกลางที่ร้อมของเหล่ากุมพีร้ายอีกครั้งเงาตะคุ่มที่พุ่งแหวกน้ำเข้ามารอบด้านมองเห็นกราดเกื่อนอยู่ทั่วไปและในครั้งนี้ดูเหมือนมันจะหนาแน่นกว่าเมื่อครั้งที่เราผินข้า ม, มาเสียอีกระวังมันแห่กันเข้ามาแล้วชายยันร้องเตือนปืนสั้นสามกระบอกก็ผลัดกันระเบิดออกไปตามจังหวะที่ใครจะสังเกตเห็นเป้าหมายได้ก่อนในขณะที่ลงมาแช่รุยน้ําอยู่เช่นนี้ มันดูเหมือนจะอำนวยผลได้ดีกว่าไรเฟิลเสียอีกเพราะคล่องแคล่วรวดเร็วกว่ากระสุนดินขับแรงสูงขนาดจุด44แมกนัมสองกระบอกและจุด357อีกกระบอกหนึ่งสักสิทธ์พอใช้สำหรับสัตว์ขนาดจระเข้และระยะยิงที่กระชั้นชิดเช่นนี้หลายนัดแฉลบกับผิวน้ำผ่านเลยไปแต่หลายนัดก็จับเขาเป้าหมายอันเป็นสันจมูกหรือศีรษะไอ้ไวรัสแห่งน้าดาคลิกดินอยู่โคลนโคล หงายท้องขาวไปทุกตัวที่ถูกกระสุนบางตัวโดนไม่ถนัดนักก็เบนหัววิ่งน้ำแตะพระนี้ไปด้วยความเจ็บปวดเงยสายกับเกิดที่อยู่บนฝั่งเดิมยิงช่วยมาอย่างมีจังหวะคนละสองสานัดส่วนพลายใหญ่ระพินที่ยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ยิงลงมาเลยกลับยืนโบกมือให้พร้อมกับร้องเล่งให้ทั้งสามรีบรุดหน้ามาเพราะพิจารณาเห็นว่าคณะนายจ้างทั้งสพอที่จะใช้ปืนสั้นคุมสถานการณ์ให้ตนเองได้ปลอดภัยเพียงพอ ดาดินยิงกรอกปากเจ้าตัวหนึ่งที่ไหว้ดิ่งเข้ามาข้างหลังห่างเพียงวาเดียวมันดิ่นราวกับพยุสระตานแล้วสะบัดหางฟาดน้ําตูมใหญ่ทําให้เสียหลักล้มขมามลงไปในน้ําทั้งสามคนแต่ไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรมากนักนอกจากเปียกปอนไปทั้งตัวเชษฐาก็กดตรงไปกลางหัวของตัวที่บุกเข้าโจมตีทางด้านขวามือพลิกแฉลบไปสามสี่ทอดแล้วจมดิ่งลงไปหงายท้องอยู่กับพื้นเบื้องล่างเลือดแตกเป็นพราย ส่วนชายยันกระสุนหมดรังเพลิงกำลังสารววนบรรจุอยู่แต่ไอ ห, หน้ายักษ์ตัวที่ทำหน้าที่สุดพุ่งทื้อเข้ามาใกล้อีกเพียงช่วงตัวเดียวก็จะถึงตัวอดีตนายทหารปืนใหญ่ผงะถอยหนีพร้อมกับร้องเสียงหลงเรน้อยทางด้านนี้ดารินหันขวับมาพร้อมเชษฐาพร้อมกับเหนี่ยวไกจุด3า7ในมือของหลอนมีสภาพอันใดไม่ผิดกับชายยัน คือเข็มแทงชนวนสับลงไปบนปลอกกระสุนเก่าที่ยิงแล้วเสียงดังแชะแต่โชคดีหรือเกินของเชษดฐานระเบิดตูมไอตัวนั้นปักหัวลงไปในน้ำบันท้ายโผล่ขึ้นมาพร้อมกับน้ำแตกกระจายลำตัวที่พุ่งมาโดยแรงกระทบสีข้างชัยยานล้มคว่ำลงไปในน้ำดารินกระชาคอเสื้อหิ้วประยุงขึ้นมาแล้วพากันวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเพราะระดับน้าตื้นเพียงโคนขาเท่านั้น กว่าจะผ่านพ้นขึ้นมาถึงฝั่งได้ก็ใจหายใจความเล่นเหน็ดเหนื่อยกันแทบขาดใจบ้าจริงทําไมไม่ช่วยญิงค้มกันให้เราบ้างหญิงสาวถามอย่างเดือ ด, เ, ด, ดเมื่อปีนขึ้ น, นมาถึงฝั่งสูงที่พรานใหญ่ยืนยิ้มรอคอยอยู่ก่อนแล้วเหมือนจะมองเห็นผ้าพิจนภัยกลางลําห้วยของคณะนายจ้างทั้งสเป็นเรื่องสนุกชวนขบขันที่สุดปืนของผมเหลือลูกอยู่หนัดเท่านั้นเป็นคําตอบเรียบ พร้อมกับอาการยิ้มยิ้มเช่นเดิมเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นตะเคนะเรื่องเล็กเราจะต้องอยู่ในหุบนี้อีกวันเต็มๆยังไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญอะไรอีกบ้างก่อนที่จะถึงแคมป์ใหญ่ของเราที่สำคัญที่สุดก็คือพวกคุณหญิงผ่านมาได้เรียบร้อยดีไม่ใช่หรือครับเชษฐากับชายยานหัวเราะเพราะเข้าใจผ่านใหญ่ดีแต่ดารินพ่นบนพาม ส, สาบแช่งเขาด้วยความโมโห หล่อนใจหายใจความในเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ยิ่งกว่าทุกคนและผิดไม่ต่อร้อต่อเทียงหรือสนใจเช่นไรกับถ้อยคำของหล่อนอีกหันไปโบกมือให้แง่ร า, ายกับเกิดเริ่มข้ามตามมาอีกเป็นชุดสุดท้ายคณะในจ้างทั้งสามบรรจุกระสุนปืนสั้นประจำตัวจนครบเตรียมพร้อมที่จะ ย, ยิงเป็นม่านคุ้มกันให้แก่คนทั้งสองโดยไม่ใช้ไรเฟิลอีกเพราะกระสุนยิงจากัดลงเต็มทีแต่สาหรับลูกปืนสั้นนั้น ต่างมีติดเข็มขัดกันอยู่อย่างเรือเฟือซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาก็แทบจะไม่ได้นําออกมาใช้ประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นชายยันนั้นนิ่งคิดอยู่อึดใจเดียวก็ส่งจุด44่สี่แมกนัมแบบซูเปอร์แบล็กฮอคประจําตัวของเขาไปให้แก่ระพินพร้อมกับบอกโดยเร็วว่าอ้าวนี่ถือไว้กระสุนมีอยู่เหลือเพียงกระสุนมีอยู่เหลือเฟือทีเดียวร่วม30นัดช่วยยิงคุ้มกันสองคนนั่นด้วยถึงอย่างไรคุณก็ต้องยิงปืนสั้นได้ดีกว่าผมแน่ๆ ผมเองไม่แน่ใจว่าจะยิงสั่งได้ทุกนัดหรือเปล่าพลาดพังยังไงคนของเราจะลําบากเลือกเอาวิธีที่เสี่ยงน้อยที่สุดดีกว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าผมจะยิงปืนสั้นได้ดีกว่าคุณทะยันหรือเปล่าแล้วพินรังเลแต่แล้วก็จําเป็นต้องรับปืนกระบอกนั้นไว้เพราะชายยันยัดเยียดบังคับมาตนเองหันไปเตรียมจุดหกนในโตคู่มือซึ่งกระสุนเหลืออยู่เพียงไม่กี่นัดโดยตั้งใจไว้จะระเบิดกระสุนออกไป ก็ในกรณีจำเป็นสุดขีดเมื่อภัยเข้ามาถึงตัวงแงซายหรือเกิดเท่านั้นส่วนเชษฐาและดาลินถือปืนสั้นเตรียมพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักมนุษยวิทยาคนสวยเป็นที่อบอุ่นวางใจได้ของทุกคนว่าถ้าหล่อนปล่อยกระสุนปืนคู่มือออกไปแต่ละนัด น, นั่นแปลว่ายากนักจะพลาดเป้าหมายยิ่งชัยภูมิอันเป็นตลิงสูงมองเห็นเป้าหมายอย่างถนัดและมีที่ยืนอย่างสบายราวกับที่ยืนยิงในสนามยิงปืนเช่นนี้ ถ้าไอชรวันตัวไหนที่ถูกเล็กลอดจากการตกเป็นเหยื่อกระสุนของหล่อนได้ก็ต้องเรียกว่ามันมีปาริหารยกเว้นแต่มันจะประดังกันเข้ามามากมายเสียจนหล่อนยิงไม่ทันเท่านั้นแง่าสายตัดไม้ภผ่รำกระทัดรัดมารำหนึ่งยาวประมาณสองวาเสียมปลายแหลมเป็นปากฉลามแทนแหลนส่วนเกิดกระชากมีดเดินป่าที่ขัดหลังอันยาวออกมากระชับไวในมือทั้งสองสายไรเฟิลไวกับไายางไม่คิดที่จาขึ้นมาใช้อีก แล้วพากันเดินดุยน้ำข้ามมาอย่างรวดเร็วเคียงข้างกันท่ามกลางการรอคอยด้วยใจอันเต้นระทึกของสี่คนที่รอคอยอยู่ก่อนแล้วบนฝั่งตรงข้ามฝูงจิ้งจกน้ำที่อยู่ในระแวกนั้นไม่ยอมละโอกาสของมันอีกด้วยความดุร้ายประจำสันดานอันผิดวิสัยไปจากจระเข้ทุ่ทูไปเพราะไม่เคยชินต่อการถูกสังหารมาก่อนและดูเหมือนจะไม่ยอมเข้าใจเอาเลยว่า พวกมันที่ลอยฟ้องหงายท้องขาวไปนับสิบสิบตัวในขณะนี้มีสาเหตุมาจากอันใดดังนั้นระรอดที่สามก็ด่าหน้าเข้าหมายโจมตีเกิดกับแงซ า, ายอีกโดยไม่ยอมหยุดยั้งเข็ดลาบมันแข่งกันว่ายดีเข้ามาจากทุกทางเท่าที่มันจะมองเห็นเจระเขค่ในลาห้วยแห้งนี้ไม่ใหญ่โตมหึมาเหมือนกับเท่าที่เห็นมาแล้วในเจ็ ก, กางบึงแต่ก็เป็นตัวขนาดกําลังว่องไวปราดเปรียวทั้งสิ้นลําตัวอ้วนสั้น หน้าหักยู่และโคนหางอวบใหญ่อุ้งตีนติดกันเป็นพืชแบบตีนเป็ดซึ่งช่วยในการพุ้ยน้ำได้อย่างรวดเร็วในนาทีวิกฤตและจำเป็นยิ่งเช่นนี้เชษฐาวราริธหัวหน้าคณะเดินทางมีฝีมือในการยิงปืนสั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าน้องสาวผู้จัดว่ายอดเยี่ยมเลยจนนิดเดียวอดีตนายพันโททูทหารบกเชื้อพวง์น้อยนักที่จะพลาดเป้าหมายและยิงได้รวดเร็วกว่าน้องสาวเสียอีก ทุกปังที่รัานออกไปเงาดำที่พุ่งแหวกน้ำไปต้องดิ้นผงผางมวนตรบเลือดสาดหมดที่เดชไปทุกครั้งสองพี่น้องแข่งกันยิงเป้าเคลื่อนที่ในน้ำอย่างน่าตื่นใจด้วยสถิติในการสังหารที่น่าชมยิ่งดารินรั่นกระสุนช้ากว่าแต่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นเต็มไม่ตกหลน่นผิดกับเชษฐาซึ่งยิงเร็วกว่าถึงแม้จะไม่ถึงกับประกาศสิทธิสั่งทุกนัดไป แต่ก็ให้ผลเยี่ยมในการสกัดก้านยับยั้งในกรณีฉุกระหุกแข่งกับเวลาเช่นนี้รปีนเห็นสองพี่น้องแข่งฝีมือปืนสั้นกันอย่างเยี่ยมยอดแล้วเช่นนี้เขาก็แทบไม่มีความจําเป็นที่จะทํากระสุนปืนสั้นของชา ย, ยันให้เปลืองเปล่านอกจากจะมองดูเพลินไปเท่านั้นไม่มีจระเข้ตัวไหนสามารถว่ายข้ามาใกล้ชิดตัวเกิดหรือแง่ทายได้เลยจนตัวเดียวนอกจากมันจะพลิกความจมน้ําหรือไม่ก็หงายท้องไปเสียก่อน ชายยันเองก็ประทับไรเฟิลคุมเชิงอยู่เฉยๆเพราะเห็นว่าไม่จะเป็นแล้วอีกประมาณสิบกว่าเมตรที่ทั้งสองจะถึงชายฝั่งเตืนของเชี่ากับดารินก็หมดโอกาสที่จะด้านกระสุนได้เพราะเจ้าตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาทางด้านหน้าของเกิดกับแง่ทรายเป็นแนวตรงมันปรีเข้าใส่เกิดเป็นเป้าหมายพ่านพื้นเมืองกระนําฟันด้วยมีดเดินป่าสุดแรงเกิดลงไปบนศีรษะแต่แล้วก็ถูกปลายหางของมันที่ตวัดฟาดมากระทบไหล่ล้มลง ก่อนที่มันจะแหวงตัวเข้าคาบแง่ทายก็เพ่นเข้าเอาหลาวไม้ไผ่สวนทะลวงเข้าไปในปากที่อ้าออกแล้วเสือเข้าไปในลาคอของมันเต็มเหนียวมันงับปากลงทันทีอย่างดุร้ายหนุ่มกระเลียงพเนจรกําปลายอีกด้านหนึ่งไว้มั่นกระทุ้งทะลวงเข้าไปอีกด้วยลําคออันกํายําแข็งแรงเกิดก็ทะลึ่งตัวขึ้นมาได้ตรงเข้ากระนำฟันอย่างมิยั้งท่ามกลางการฟาดหางสนันวันไหวของมัน ทุกคนบนฝั่งเห็นแง่ทายเสยืส้อกล้าวไม้ไผยกดดื้อหายเข้าไปในปากของมันตามลําดับอาการดิ้นของมันดุนแรงขึ้นทุกทีอย่างเจ็บปวดบ้าคลั่งและอั ม, มหิตไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันลากไอวายร้ายตัวสุดท้ายขึ้นมาบนฝั่งทั้งทั้งที่ยังมีลาไม้ไผ่ของแง่ท า, ายเสียบหายเข้าไปในลาตัวทางปากของมันเกือบมิดลําอันยาวเหยียดเหลือโผล่ออกมานอกปากเพียงช่วงแขนเดียวเท่านั้น ทั้งหมดวิ่งลงจากฝั่งตะลิ่งสูงลงไปริมหาดโดยเร็วดารินส่องปากกระบอกปืนตรงไปที่ศรีรษะของมันหมายจะซ้ำแต่แงาสายร้องห้ามปนหัวเราะเฮาห่าวว่าอย่านะหญิงปืงกับลูกปืนมันไม่มีทางอีกแล้วดารินชะ ง, งักเงยปากกระบอกปืนขึ้นไอวายร้ายแห่งน้ำดาดินโดนอยู่ไปมาบนพื้นทรายริมฝั่งพร้อมกับฟัดฝ้าถางอย่างรุนแรงน่ากลัว เกิดก็ปาดตรงเข้าไปที่บัานท้ายของมันเงื้อมีดขึ้นกระนำฟันสุดแรงลงไปบนโคนหาง